ปีพุทธศักราช2488พันศาที่หนึ่งจำพันศาที่สำนักสงฆ์ป่าภูลิไผบู์ปัจจุบันคือวัดประชาบำลุงอําเภอเมืองจังหวัดปหาสารคามเมื่ออุปสมบทแล้วในปีพุทธศักราช2488เราก็เที่ยวสืบเสาะแวงหาครูบาอาจารย์ที่จะมาอบรมสั่งสอนจึงได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์โคนณมุตตโมซึ่งเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นผู้ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมเป็นที่นำหน้าถือตาของผู้ที่นิยมปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านได้ทุดงจาริกมาพักอยู่ที่เสนาสนะป่าที่จังหวัดมหาสารคามตามคำสั่งของท่านพระจานร์สิงหคันตยาคมโมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมและหลักปฏิบัติของพระคณะกรรมฐานขอย้อนกล่าวถึงเรื่องราวของกองทัพธรรมกรรมฐานสายท่านพระจานทร์มั่นภูริทโตสักเล็กน้อย ในยุคกรรมฐานเพื่องฟูปีพุทธศักราช2470ท่านพระจานร์เสากันตดสีโลและท่านพระจานร์มั่นภูริัตโตได้พิจารณาแล้วว่าท่านพระจานทร์สิงคันตยาคโมมีความรู้ทางกิตตภาวนาสามารถเป็นขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมนำมูคณะกรรมฐานได้ท่านพระจานทร์สิงค์มีอุปนิสัยเป็นคนกล้าหาญมีใจเด็ดเดี่ยวมีไหวพริบ ป, ปฏิพานว่องไว คล่องแคล่วแกล้ากล้าฉลาดในเทศนาธรรมตั้งมั่นอยู่ในสัมมาปฏิบัติอุทิตนและตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นจึงมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ปกครองดูแลพระกรรมฐานส่วนพระมหาเถระทั้งสองขอแยกเดินลุกขมูลสแสวงหาที่ปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญเพียรตามป่าตามเขาท่านพระอาจารย์เสาไปทุดงประเทศลาวส่วนท่านพระอาจารย์มั่น ไปทุดงอยู่ทางภาคเหนือเมื่อราวปีพุทธศักราช2472พระจันทร์สิงห์จัดให้พระฝ่ายกรรมฐานจำนวนหลายรูปที่มีความรู้ทางด้านจิตตภาวนาแยกย้ายกันไปอยู่ตามสำนักจังหวัดต่างๆเพื่อแนะนำสั่งสอนพระภิสุสามเณ น, เนและพุทธศาสนิกชนในธรรมปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนกชนชาวอีสานให้ละมิจฉาทิฏฐิ เลิกการนับถือพูดผีปีศาจหันมาตั้งมั่นอยู่ในพระไตรรนคมซึ่งต่อมาได้รับความนิยมในการศึกษาปฏิบัติกรรมฐานอย่างกว้างขวางและแพร่หลายพระอาจารย์โคณธรรมุตโมพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรได้เดินทางตามคำบัญชาของพระอาจารย์สิงคันตยากรโมให้เดินทุดดงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาถุระที่จังหวัดมหาสารคามท่านเข้าพัก สำนักสงฆ์ป่าภูนไพบู์ปัจจุบันคือวัดประชาบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา ร, รคามหลวงปู่ีสมัยครั้งยังเป็นพระใหม่เมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็กระหายใคร่ได้ใคร่ครสัมผัสพระกรรมฐานแท้ๆจึงรีบเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์โูนธรมุตโมและได้ปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์โนธรมุตโมได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านพระอาจารย์โนอบรมสัง่งสอน อุในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดคือคันธะทุระการศึกษาเล่าเรียนพระคำพีให้มีความรู้พระธรรมวินัยดำรงรักษาตำราไว้ไม่ให้เสื่อมสู์จะได้เป็นแบบแจ่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาทุระได้แจ่การศึกษาอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสนาเพื่อรู้แจ้งและกำจัดกิเลสออกจากจิตใจทุระทั้งสองนี้พระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงไว้ให้พระสาวกจดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งพรัดจนสามารถกําจัดกิเลสรู้แจ้งธรรมท่านผู้ตัดกิเลสได้เด็ดขาดสิ้นเชิงแล้วเรียกว่าพระอระหันต์ยอมเอาทุระจดจำพระพุทธวจนะและช่วยพระบรมศาสดาทําการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระจารย์คูณได้ย้ำสอนหลวงปู่ีมหาวีโรในขณะนั้นว่าท่านสี ขอให้ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระนิพพานมีอยู่ไม่ไกลขอเพียงท่านไม่อาลายัยไม่เสียดายทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจถวายเป็นพุทธบูชาเบื้องต้นขอให้ท่านฝึกส ต, ติด้วยการบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเอาพุทโธควบคุมจิตระวังจิตและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตโดยระวังอารมณ์หรือสัมผัสภายนอกไม่ปล่อยให้หมายุ่งมาสร้างภาพฝัน ภาพลวงกับอารมณ์ภายในให้เอาสติเป็นตัวนำควบคุมทุกขณาจิตทุกขณะชิดให้เริ่มรู้จักกำหนดว่าจิตมีตัวสติคอยควบคุมที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในทางสมถภาวนาและผมเคยฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พาสิทธธรรมให้ฟังว่าพระอาราหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหนก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจากราคะโสะโมหะถ้าหากใจปุตชนนั้นพยายามบากบัน่นฝึกเปรอตนให้เดินตามมักคาสัมมาปฏิบัติพระอรหันต์ก็มาจากที่นั่นกลั่นกรองมาจากที่นั่นเหมือนดอกบัวมาจากที่ตมชี่โคลนเน่าเน่าเหม็นเมนแต่พอพ้นน้ำรับแสงพระอาทิตย์แย้มบานเต็มที่มีสง่าราศีใครก็อยากได้อยากชมหลวงปูศ่ศรีเมื่อได้ฟังธรรม ที่พระจารย์คูณแสดงเกิดจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าปฏิบัติแบบถวายชีวิตจิตสงบเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าและท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ศีท่านได้เล่าชีวประวัติท่านต่อไปอีกว่าเราบวชพรรษาแรกก็เร่งความภาคเพียรภาวนานั่งภาวนาไปมันเจ็บมันปวดมันจะเป็นจะตายอดทนสู้ก็ไม่ไหวนักเข้า ต้องดการฉันอาหารให้ลดน้อยลงตามธรรมดาฉันวันละสามสิบคำหรือมากกว่านี้นิดหน่อยเราพยายามลดมันลงลดลงมายี่สิบคำมันก็ยังไม่สงบนักเข้าลดลงฉันวันละสิบคานั่งสมาธิได้ตลอดคืนยันรุ่งไม่ต้องพลิกขาแม้แต่ครั้งเดียวนั่งผ่านได้สบายสบายเมื่อผ่านไปได้แล้วก็จึงค่อยย้อนกลับมาฉันอาหารอย่างปกติเมื่อฉันอย่างปกติ ถ้านั่งภาวานาผ่านทุกขเวทนาได้ก็ฉันอีกแต่ถ้าเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาก็ลดลงอีกมีสติคอยสังเกตตัวเองอยู่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วเมื่อสติสมาธิเข้าที่เข้าทางฉันเต็มที่ก็ยังสามารถนั่งตลอดรุ่งได้นี่หละเราต้องหาวิธีทดสอบตัวเองจนกว่าจิตใจจะพบกับความสงบได้ตอนที่เราอยู่วัดป่าพูลไผบูนนั้นเดินจงกรมได้ทั้งวันทั้งคืน นั่งก็นั่งได้ทั้งคืนจิตเกิดโอภาสแสงสว่างทุกขเวทนาที่มากหลายเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยความอดความทนเข้าต่อสู้อดทนสู้คิดสเสถิดว่าทำสมาธิภาวนาลำบากเพียงแค่นี้ไม่พอที่จะทำให้เราตายได้จึงคิดหาอุบายสอนใจตัวเองว่าเรานั่งอยู่ในท้องแม่แม่อุ้มท้องอยู่เป็นเวลาเกถึงสิบเดือนไม่เห็นนีไปไหนได้ทาไมจึงอดทนอยู่ได้ เมื่อคิดเช่นนี้จึงนั่งต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายจิตบูบว่าบลงคราวเดียวทุกขเวทนาที่ว่าเผ็ดร้อนหายหน้าหายตาไปหมดร่างกายเปรียบกันได้ดังเหล็กที่เผาไฟแดงๆ แ, แล้วนำไปทิ้งใส่น้ำจะมีเสียงดังจ้าจ้าจ้าร่างกายเผาไม่หมดมันเป็นของมันเองร่างกายจึงอยู่สบายนั่งไปเท่าไรทั้งคืนก็ได้ไม่ได้มีความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นเองเป็นเอง เราก็ไม่ได้ปรุงแต่งมีแต่ตัวรู้รู้เฉยอยู่ของแปลกประหลาดภายในจิตใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทำให้เรามีศรัทธาเกินคาดเดาได้อุทานภายในใจว่าเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยหรือเอจิตของคนมันเป็นอย่างนี้ก็มีหรือเมื่อจิตสงบได้อย่างนั้นมันสบายเบากายเบาจิตเป็นเวลาสองถึงสามวันไม่ชันอะไรก็ได้ไม่เหีวกระหายของเหล่านี้ จิตเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตสงบสว่างเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกิดความเชื่อจริงๆเลยเชื่อในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อแน่แล้วว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรมโลกพระนิพพานมีจริงแท้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่แน่ใจและไม่หวั่นไหวอัศจรรย์สายทางเดินแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเราจึงมาคิดว่าเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าท่านจึงอยู่ไหนก็อยู่ได้นี้เองจึงเป็นมูลเหตุให้เรามีแจกิจแจใจที่จะก้าวเดินตามรอยบาทพระศาสดาพระอริยสงฆ์สาวกการบวชเดิมทีคิดว่าจะบวชเพียงชั่วคราวได้หายไปสิ้นจิตได้หมุนกลับทวนกระแสโลกเสียแล้วพ่อตาแม่ยายลูกเมียนิมนต์ให้ศึกพอบวชครบพรรษาพ่อตาแม่ยายและลูกเมียไปนิมนต์ให้ศึก ก็ไม่สึกจึงดำริภายในใจว่าลูกเมียที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพียงภพชาติหนึ่งในหลายภพชาติที่เกิดตายเอาเถอะเราจะหล่อเลี้ยงเขาด้วยอักด้วยทำด้วยคุณงามความดีซึ่งจะเป็นสเสบียงทางที่ยาวไกลไม่ได้กินอิ่มแต่เพียงชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นจะพึงกินอิ่มอีกในหลายภพชาติอีกต่อไปด้วยถ้าเราไม่ออกปฏิบัติกรรมฐานในคราวนี้ก็ไม่มีคราวไหนอีกแล้ว ในชีวิตเราที่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทติดพันกับธรรมะอันอัศจรรย์สงบเย็นก็มีร่มกาสาวภักคลาวนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสลัดโลกเป็นแบบอย่างให้เราแล้วเราจะมาอะไรเสียดายอะไรธรรมะต่างหากเป็นของประเสริฐที่สุดมนุษย์เขาอยู่กันมาเป็นหมื่นหมืนปีเขาก็อยู่กันได้ส่วนลูกเมียเราเราออกไปสร้างคุณงามความดีถ้าเขาเป็นผู้มีศีลธรรม ก็ไม่น่าจะมาตาหนิเราตรงไหนขาดเราเพียงคนเดียวโลกมันคงไม่แตกสลายพังทลายหรอกมีแต่มันจะเจริญขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมส่วนลูกน้อยเขาก็คงเลี้ยงมันได้ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวยากจนอะไรนกหนูปูปีกมันอยู่ในป่าในเขามันยังอยู่ข้องมันได้ไม่เห็นมันสูญพันธ์ไปไหนอันความรักความอาลัยในบุตรธิดาภรยานั้นย่อมมีถึงแม่น้าตาจะตกใน แต่จิตใจนี้ปรารถนาเพียงพระนิพพานเท่านั้นเหมือนประหนึ่งจะพูดพร่ำรำพันกับตนเองว่าลูกเอ๋ยเมียเอ๋ยพ่อนี้ปรารถนาเป็นสาวกอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเจ้าจงพาการอนุโมทนาเถิดพระพุทธเจ้าทรงสละราชบัลลังก์ฆ่าธาตุบริวารมากมายสละบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเพื่อโมฆธรรมอันเป็นธรรมเครื่องนาออกจากทุกข์ ซึ่งเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ในสมัยพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าพระเวสสันดรยังให้ทานบุตรธิดาคือกันหาชาลีแจพราหมณ์เราไม่ได้สละอย่างยิ่งใหญ่อย่างนั้นสักหน่อยและไม่มีอะไรมากมายให้สละได้อย่างนั้นด้วยสละเพียงออกบวชเล็กน้อยเพียงแค่นี้ยังจะเอาอันนั้นอันนี้มาเป็นอุปสรรคขวางทางแล้วเราจะเดินไปได้อย่างไรเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้ว จึงตัดสินใจที่จะหนีเข้าป่าเข้าดงเข้าป่าเร่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามที่ท่านพระอาจารย์คูนสั่งสอนและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าจิตใจเราสงบบ้างแล้วจะเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภุริสโตผู้ซึ่งมีชื่อกระชอนเรื่องความดีความเด็ดเดี่ยวและเรื่องธรรมที่ท่านบรรลุจนเป็นพระอรหันต์ซึ่งใครๆก็ตามที่พบท่านแล้วทราบข่าวว่า ต้องยอมซิโรรากราบไว้ในคุณธรรมและความเป็นคนจริงของท่านการปฏิบัติที่สำนักสงฆ์ภูนไพบู์ก็ราบรื่นสมาธิดีแต่ก็ด้วยเหตุว่ายังอยู่ใกล้บ้านเกิดยัดญากก็มาเยี่ยมเยือนได้ง่ายการถูกรบกวนรบร้าให้สึกไปครองชีวิตครวะอยู่ บ, บ่อยการอยู่ในสถานที่เช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาทางเดินเพื่อ อ, อริยมรรคอริยผลไม่สะดวกจึงคิดว่า ควรจะแอบหนีเดินทุดงไปตามป่าตามเขาไปหาท่านพระอาจารย์สิงห์ทันตยาขโมสิทธิผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริสโตที่วัดป่าแสนสําราญจังหวัดอุบลราชธานีศึกษาวัตรปฏิบัติให้ทําแจกล้าขึ้นไปกว่านี้ถ้ารีบไปหาท่านพระอาจารย์มั่นตอนนี้ต้องถูกท่านขับไล่หนีเสยอย่างแน่นอนเพราะทราบจากพระอาจารย์คูนว่าท่านพระอาจารย์มั่นไม่รับใครเป็นสานุสิทธิ์ง่ายๆคนที่ใจเด็ดเดียวเท่านั้น จึงจะเป็นลูกศิษย์ของท่านได้แล้วพระใหม่อย่างเราถ้ายังไม่ประิีระสาเรื่องพระธรรมวินัยเข้าไปหาท่านอาจเข้าไปกระทบกระเทือนธรรมะภายในของท่านได้และอาจเป็นเหตุให้เราไม่ได้อยู่ในสำนักศึกษาธรรมกับท่านได้จึงตัดสินใจลาพระอาจารย์โคนธรมุตโมเที่ยวถดดงซอกซอนตามป่าตามเขาผ่านป่าช้างดงเสือลุถึงเสนาสนะป่าแสนสาราญ จังหวัดอุบลราชธานี